นาปฏิวัตพิษณุนีต่อไปนีเป็นอง้ไธรรมคือแปร้อยเจ็ดสิบสาหนึ่งพิษณีวิคลจริบสองพิ 2, ษณนีต้นบัญญัติ 10, ทธาบทที่8จบ